สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสี่เสียพิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่สามร้อยยี่สิบสองเรื่องคำอธิษฐานของพระเยซูครั้งที่เก้าสิบเจ็ดเป็นประโยคสุดท้ายของคำอธิษฐานตามแบบพระเยซูเป็นคำถวายพระพรเป็นการจบคำอธิษฐานอย่างถูกต้องที่สุดเมื่อเราอธิษฐานว่าเหตุวาราช่ำนาจฤทธเดช พระิริเป็นของพรงะองค์เรากำลังพูดถึงพลรรักษณะสามประการซึ่งเกี่ยวข้องกับพระเจ้าพระเจ้าของเรานั้นเป็นพระเจ้าที่สามารถเปลี่ยนท่าทีที่ไม่ถูกต้องของเราให้เป็นท่าทีที่ถูกต้องเมื่อเราอธิษฐานตามแบบอย่างพระเยซูและท่าทีที่ถูกต้องนี้จะเปลี่ยนชีวิตของเราและนําพาชีวิตของเรานั้นไปสู่ การอธิษฐานที่ยิ่งใหญ่ขึ้นการที่เราจะมีชีวิตยกระดับการอธิษฐานของเราจะต้องเกี่ยวข้องกับพลักษณะสามประการที่อยู่ในคําถวายกระพรอนตอนนี้ความจริงสามประการเกี่ยวข้องกับพลักษณะของพระเจ้านี้คือราชามนาจเป็นประการแรกฤทธิเดชเป็นประการที่สอง และพระศิริเป็นประการที่สามเราจะต้องเรียนรู้คําจํากัดความหรือความหมายที่ถูกต้องของคําว่าราชธรนาจราชธนาจนั้นหมายถึงสิทธิของพระเจ้าในการตอบคํำมธิษฐานในแบบของพระองค์ราชธรนาจนะครับคือสิทธิของพระเจ้าในการตอบคอําอริษฐานตามแบบของพระองค์ริเดธ ฤดเดชหมายถึงความสามารถของพระเจ้าศักยภาพของพระเจ้าในการประทานสิ่งที่เราทูลขอให้กับเราฤดเดชหมายถึงความสามารถศักยภาพของพระเจ้านะครับพระศิลปเป็นประการที่สามนั้นหมายความว่าเป็นเกียรติยศสง่าราศีของพระเจ้าสําหรับพระพรที่มาถึงชีวิตของเรา พี่นนท์ครับเวลาที่เราอธิษฐานคำว่าเหตุว่าราชสำนาจเป็นของพระองค์นั้นเมื่อเราได้เสร็จสิ้นคำทูลขอเจ็ดประการเรียบร้อยแล้วเป็นการนำเข้าสู่การถวายพระพรเรากำลังสรุปคำอธิษฐานของเราต่อพระเจ้าโดยใช้พลรรักษณะของพระองค์ทั้งสามประการนี้เวลาที่เรายอมรับราชสำนัจของพระองค์นั้น ก็คือหมายถึงเรายอมรับสิทธิทอำนาจของพระเจ้าที่ตรับคําำอธิษฐานเพราะฉะนั้นความสำเร็จของการอธิษฐานนั้นก็คือเราเริ่มต้นด้วยการถวายเกียรติพระเจ้าและจบลงก็คือเราตั้งความหวังที่จะได้รับคำตอบจากพระองค์พี่น้องครับเปรียบเทียบได้กับการทำธุรกิจการขายมาร์ e t i ต g ิ a l e ซ m a n เวลาที่เราเริ่มต้น และเวลาที่จบปิดการขายนั้นมีความสําคัญมากเลยครับความสําเร็จของการเสนอขายของหรือสินค้าก็คือคําสั่งซื้อจากลูกค้านั่นเองเพราะฉะนั้นเมื่อลูกค้าตัดสินใจซื้อนะครับนั่นเป็นเรียกว่าความสําเร็จของการขายเที่นับในการอธิษฐานของเราก็เปรียบเทียบละไม้คล้ายขึงกันนะครับก็คือเราถวายเกียรติแพระเจ้าเราก็ อธิษฐานทูลขอและสุดท้ายเราต้องการก็คือเราต้องการรับคำตอบจากพระองค์เพราะฉะนั้นในสามประการของพระลักษณะยิ่งใหญ่ของพระเจ้าก็คือราชสำนากฤทธิ์เดชพระชนนนั้นจึงจาเป็นอย่างมากที่จะปิดการอธิษฐานของเราพี่น้องครับในเช้า ว, วันนี้ผมอยากจะแบ่งปันอยู่สองเรื่องก็คือเรื่องของราชสำนาจและเรื่องของฤทธิเดช แลในวันต่อไปก็จะพูดถึงเรื่องของพระสิลิต่อไปพี่น้องครับมีเจ็ดประการด้วยกันครับในเรื่องของพระราชอำนาจเมื่อเราอธิษฐานว่าราชอำนาจนั้นเป็นของพระองค์มีอยู่เจ็ดประการที่เป็นครอบบทประยุกต์ใช้หรือเป็นความหมายของการอธิษฐานในชีวิตของเราแต่ละคนประการแรกครับเมื่อเราอธิษฐานว่ารราชอำนาจเป็นของพระองค์ เรายอมรับการปกครองของพระเจ้าเหนือชีวิตของเราเรายอมรับการปกครองของพระเจ้าเหนือชีวิตของเราเมื่อพี่น้องฟังกุณาไข่ควรไปด้วยเพื่อที่จะถามตัวเองว่าเรายอมรับการปกครองของพระเจ้าในชีวิตของเราหรือเปล่าประการที่สองเมื่อเราอธิษฐานว่าขอให้ข้าชั้นนาเป็นของพระองค์เรากาลังยอมรับพระเจ้า ว่าพระองค์ทรงเป็นองค์อํานาจอธิปไตยสูงสุดเหนือชีวิตของเราเหนือโลกเหนือสรรพสิ่งทุกอย่างนี่คือประการที่สองครับเรายอมรับว่าพระเจ้ามีอํานาจอธิปไตยเหนือชีวิตของเราเหนือสรรพสิ่งหรือเปล่าประการที่สามครับเมื่อเราอาธิษฐานว่าขอรับชําชนาาเป็นของพระองค์เรากําลังยอมรับรู้ว่าพระเจ้านั้นทรงเป็นที่มาของคำตอบ ของคำอธิษฐานของเราเรายอมรับว่าพระเจ้าเป็นแหล่งที่มาหรือพระเจ้าเป็นคนตอบคําอธิษฐานประการที่สี่ครับเมื่อเราอธิษฐานว่าขอให้ราบช้ำหน้าเป็นของพระองค์เรากําลังยอมรับว่าพระเจ้าทรงมีสิทธิที่จะปฏิเสธคําทูลขอของเราเรากําลังยอมรับว่าพระเจ้าทรงมีสิทธิที่จะปฏิเสธคําทูลของเราข้อนี้รู้สึกว่าหลายคนก็ ทำใจยอมรับไม่ได้นะครับเพราะจริงๆแล้วทุกคนที่ขอก็อยากจะได้พี่น้องครับแต่เรากำลังยอมรับว่าและเราต้องยอมรับว่าพระเจ้ามีสิทธิที่จะปฏิเสธคำทูลขอของเราประการที่ห้าครับเมื่อเราอธิษฐานว่าขอให้ราชอำนาจเป็นของพระองค์เรายอมรับว่าพระเจ้าทรงสา ม, มารถและจะทรงตอบคำอธิษฐานของเราด้วยวิธี ของพระองค์วิธีการต่างๆของพระองค์รงสามารถใช้ตอบคำถามตอบคำอธิษฐานของเราได้ประการที่หกครับเมื่อเราอธิษฐานว่าราชอำนาจเป็นของพระองค์เรากำลังบอกกับพระเจ้าว่าพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์เหนือชีวิตของเราและเรายอมเป็นผู้ติดตามเรายอมเชื่อฟังในแผ่นดินของพระเจ้าในมันคาที่พระองค์ได้วางไว้ ประการสุดท้ายครับเมื่อเราอิสหนราชอำนาจเป็นของพระองค์เรายอมรับในชัยชนะขั้นสุดท้ายแผนงานแห่งความรอดที่พระเจ้าตั้งไว้ให้กับมนุษยชาติที่เชื่อพระองค์เรากำลังยกพระเยะซูนะครับเป็นจอมทัพเป็นเยโฮวานิศสีซึ่งเป็นธงเป็นชัยชนะของพวกเราทั้งหลายนี่คือเจ็ดประการ เมื่อเราอาธิษฐานว่าราชจำหน้านั้นเป็นของพระองค์ต่อไปครับเมื่อเราอาธิษฐานว่าฤทธิเดชเป็นของพระองค์เรากําลังยอมรับประการแรกคือเรายอมรับฤทธิเดชยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในการตอบคําอธิษฐานของเราเพราะนั้นครับคำว่าฤทธิเดชนั้นก็คือความสามารถของพระเจ้าหรือศักยภาพของพระเจ้านั่นเองครับ ประการที่สองเมื่อเราอธิษฐานว่าริดเดตเป็นของพระองค์เรากําลังยอมรับว่าเราเป็นผู้รับใช้ของพระองค์และพระองค์ทรงเป็นองค์เจ้านายประการที่สามครับเมื่อเราอธิษฐานว่าฤริดเดตเป็นของพระองค์เรากําลังยอมต่อคําตอบอะไรก็ได้อะไรก็ตามที่พระเจ้าจะเลือกให้กับเรา พระองค์งมีความสามารถและศักยภาพที่จะเลือกของที่ดีที่สุดให้กับเรานี่คือประการที่สามคับประการที่สี่เมื่อเราอธิษฐานว่าฤทธิเดชเป็นของพรงะองค์เรากําลังยอมรับว่าพระเจ้าทรงเป็นพระผู้สร้างและทรงปกครองโลกนี้และมีฤทธิเดชเหนืออํานาจมืดมิญญันชั่วทั้งหลายประการที่ห้าครับเมื่อเราอธิษฐานว่าฤทธิเดชเป็นของพรงะองค์เรากําลังยอมรับว่า มนุษย์นั้นถูกสร้างตามพระฉายาของพระเจ้าและต้องรับผิดชอบต่อกฎธรรมชาติและกฎเหนือธรรมชาติของพระองค์กดมีสองกดนะครับกฎธรรมชาติเ็าเรียกว่า natural law และกดเหนือธรรมชาติเรียกว่า super natural law พี่น้องครับกฎเหนือธรรมชาตินั้นเป็นส่วนของพระเจ้าที่พระเจ้าจะใช้ตามฤทธิ์เดชของพระองค์ รงทรงอยู่เหนือทั้งสองกฎทั้งกฎธรรมชาติและกฎเหนือธรรมชาติประการที่หกครับเมื่อเราอธิษฐานว่าฤทธิดเด์เจเป็นของพรงเราก็ลังยอมรับการควบคุมของพระเจ้าที่มีเหนือชีวิตของเรารวมถึงความเจ็บปวดความทุกข์ความสุขความชื่นชมินดีเรายอมรับการควบคุมของพระเจ้านะครับที่มีเหนือชีวิตของเรา ประการสุดท้ายก็ประการที่เจ็ดเมื่อเราเอธิษฐานว่าขอลิดเดชเป็นของพระองค์เรากำลังยอมรับอธิปไตยของพระเจ้าที่จะทรงทำสิ่งที่พระองค์พอพระทัยเมื่อพระองค์ต้องการทำด้วยวิธีที่เห็นสมควรนี่คือให้คำตอบว่า y นะครับเป็นคำตอบของคำว่า y มี y มีแปลว่าทำไมถึงต้องเป็นชั้นเมื่อเรายอมรับริษเดชของพระเจ้าแน่นอนครับ พระเจ้าทรงทำทุกสิ่งได้ที่โปรงเผาพัะธุยในเวลาที่โปรงต้องการและด้วยวิธีที่โปรงเห็นสมควรขอพระเจ้าช่วยเราและหนุนใจพี่น้องทุกท่านนะครับเพื่อที่ว่าเราจะยอมรับพทธิเดชของพระเจ้าและยอมรับราชอำนาจของโปรงอาเมน